ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงปริษาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันของคนทั้งหลายหรือสงยกตัวอย่างการอยู่ร่วมกันของพระเป็นแบบหรือให้ศึกษาและพิจารณาดูว่า การอยู่ร่วมกันของคนเรานั้นควรจะอยู่กันอย่างไงจึงจะชื่อว่าเป็นการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขหรืออำนวยความสุขให้สงชช้คำว่าบริษัทก็แนวที่เราคุณคุณผู้ตบริษัทพิจษตรบริษัทพิจุนีบริษัทหมายความว่าเป็นคณะบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันในกลุ่มแรกนั้น ถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่ดีแมาความว่าแต่ละคนนั้นมีความรับผิดชอบในตัวเองในการปฏิบัติขัดเกล้าอยู่ในกรอบแบบแผนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมันดีงามแล้วก็ไม่มีการประทุษร้ายเบียดเปลีป่ยนกันก็ทำให้คนอื่น ได้ถือถือเป็นแบบอย่างที้ทรงใช้คาเป็นทิฏฐานกติคคนอื่นประสบพบเห็นก็ยึดถือแบบในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะในสังคมเรานั้นที่จริงเราก็มีคนอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีอายุมากกลุ่มที่สองก็กลุ่มที่รองลงมาและกลุ่มที่สามคือกลุ่มเด็ก แต่อย่างนั้นมีการปฏิบัติมีความรับผิดชอบเป็นตัวเองก็เป็นตัวอย่างของกันอะไรกันดิฉันใช้คาบาลีว่าบรรพชนคือคนที่เกิดมาก่อนคนที่เกิดมาก่อนก็ที่จริงก็เกิดมาหลังคนอืน่นแต่สมบัติในยุคในสมัยของท่านท่านก็เป็นคนที่เกิดมาก่อนท่านปฏิบัติขัดเกลาตัวเอง มีการลดละในที่นี้ทรงยกตัวอย่างพระว่าเช่นไม่ไ ม, ไม่ไม่สะสมอาหารไม่สะสมจะต้ปัจจัยจไปบ้านพระรูปอื่นที่บวชมาก็เป็นตัวอย่างแต่ชาวบ้านเนี่ยคงไม่ได้นะนะชาวบ่าก็ต้องมีการเก็บรวบรวมทรัพย์สินเงินทองแต่ในเรื่องของการอยู่ในสีลอยู่มีมันญาติอยู่ในเะเบียปีไหนแต่มุ่งขัดเกลาตัวเอง นี่เป็นเป็นประเด็นที่สาคัญมากเพราะว่าตามปกติแล้วคนเร า, ม, ามักจะมุ่งขัดเกลาคนอื่นคือคอยตำหนิทุวงติ ง, งคอยกล่าวหาคนอื่นคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนนอนอย่างนนที่จริงแล้วเนี่ยท่านสอนให้เรารับผิดชอบตัวเราเองเพราะว่าชีวิตเรานั้นก็เป็นกระบวนการของกรรม โือการดีการชั่วของเราก็อยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่การกระทำของคนอื่นโืยคนอื่นเขาว่าเราทำอย่างไรถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราทาถึงถ้าเราทำไม่ดีเคยจะว่าหรือไม่ว่าเราก็ไม่ดีเพราะตรงนี้ส่งสอนในแนวให้รับผิดชอบตัวเองเป็นหลัก คอจะอยู่กันกี่คนก็ตามทำนองคล้ายๆการขับรถในท้องถนนนไม่ต้องไปวุ่นคนอื่นก็รับผิดชอบเฉพาะรถเราก็่า้นกันก็อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกฎจราจรที่เราใช้กันในกรณีนั้นๆการขับยานพาหนะในท้องถนนก็เป็นไปดีๆแนวสังคมก็เป็นเช่นนั้นคือหมายความว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบให้เป็นหลักให้ผู้น้อยตั้งก็ได้เป็นทิฏฐานกติก ถือตามปฏิบัติตามคล้ายๆกับภายในครอบครัวถ้าพ่อแม่ก็ปฏิบัติหน้าที่พ่อแม่ดีลูกขก็ได้แบบในการประพฤติปฏิบัติในการพูดการจาในการใช้กิริยาบัญญาติการนั่งการลุกการเดินในแต่ไหที่จริงก็เป็นตัวอย่างให้มันคล้ายๆกับกลุ่มคนในที่ใดๆก็ตามนะฮะถ้าเราเข้าไปในที่นั้นสังคมก็มีความสงบสงเงียมเรียบร้อย เราก็ถูกบรรยากาศ บ, บังคับให้ต้องทำอย่างนั้นด้วยตีเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องบ่อยๆมันก็ซึมซับเป็นลักษณะนิสยัยที่สะสมอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็มีปกติอย่างนั้นแม้บางทีเราไปอยู่ในกลุ่มอื่นบริษัทอื่นแต่ลักษณะนิสยัยที่สะสมมาปรบมามันก็แสดงออกในรถฐานที่เดล่านั้นก็กลายเป็นจุดเด่นเป็นปมเด่น คนก็สังเกตได้ว่าคนนี้สวยงามเรียบร้อยอย่างนั้นอย่างนีน้ก็กลายเป็นคนที่องค์อาจในท่ามกลางกลุ่มคนบุคคลตดด่อกันหมายความว่าเป็นการอยู่ร่วมเป็นคณะบุคคลที่ดีจะมีมากเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังมองแนวสังคมในแนวนั้นรุ้นก่อนไปไปงานศพงานหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ อายุมากเก้าสิบแปดรู้สึกชื่นชมนะเหมืองกระรังพึ่งใหญ่มันมีห้าชั่วคนคือท่านก็อยู่ในฐานะญาติทวดอยู่ถึงลือในครอบครัวเดียวกันในมีถึงลือ้อหมายความมาดูแลกันเลกันตลอดกันแล้วก็เป็นเป็นตัวอย่างให้แก่กันและกันเป็นครอบครัวที่แต่ละฝ่ายนั้นมีความ รักความโหม่งใหญ่ความมัธยอนกันแต่การกระทําของผู้ใหญ่บางอย่างก็ต้องระมัดระวังเลยกลัวเด็กจะถือเป็นตัวอย่างก็งดเว้นแม้ความคิดว่าไม่เดียดเด็กเห็นคือไม่ทําอะไรให้เด็กเห็นที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ทําให้เด็กเห็นเมันก็เกิดเป็นการสำรวจระวังในส่วนตัวของบุคคลนั่นเด็กเองการกระทําบางอย่างก็กลัวผู้ใหญ่จะเห็น ครูปุยหญจะดุผรูปุยหญ่จะตำหนิเราก็มดเว้นไม่กระทำนี้การการการอยู่ร่วมกันในลักษณะนี้ท่านจะเห็นว่ามันอยู่ที่การยอมรับนับถือสถานะของกันและกันหมายความว่าเราก็ดีด้วยกันเราก็ไม่ดีด้วยกันนะเพราะเป็นกลุ่มเป็นคณะ บ, บุคคลแต่ละคนจึงมีความรับผิดชอบในตัวเองในขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อ ชื่อเสียงกินติคุณความดีของบุคคลอื่นตามไปด้วยตรงเรียกว่าบริษัทที่ดีบริษัทหนึ่งทรงใช้คำว่าเป็นการอยู่ร่วมเป็นพักพักที่เราเอามาใช้เนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างตรงนะฮะค่อนข้างตรงที่พระเจ้าทรงใช้เนี่ยมาความแยกเป็นพวกแยกเป็นหมู่แล้วก็มีความริษยามีความแข็งดีมีความแบ่งแยก มีการทิมตำกันมีการด่าวา่าซุบซิบดินทากันสงฆ์ใช้คำว่าใชามา้มุขขัตสติมุขขัตสตินี่เป็นจานวนในสงใช้บ่อยมุขขัตสติสติแปลว่าห อ, อกนะมุขขาก็คือปากห อ, อกปากนั่งทิมตำกันรนะับหลังก็นินทากันเจอหน้าก็กระแนกกระแนกข้อนแคะด่าว่ากันกระทบกระเทียบเปรียบเปลือกกัน คือเราเห็นว่าใจมันไม่สงบใจมันร้อนอยู่คนเดียวแทนที่จะสงบก็ร้อนเรียกปากไม่เป็นสุขเพราะใจมันไม่สงบใจมันก็ไม่เป็นสุขต้องได้ต้องได้นินทาท่ไหนนะค่อนแค่คนอยู่ใกล้ๆพอเจอหน้าแทนที่จะเบึกบานใจมันก็อึกคือไปชวงก็าทะเลาะอีกตรงนี้ถ้าเรามองจากที่อื่นว่าทำไมพื้นฐานมันออกมาเป็นอย่างนั้น ท่านท่านถ้าเราเรียกร้องต้องการการอยู่ร่วมกันโดยปกติสูขอยู่ร่วมกันในความสงบเราก็จะพบว่าเป็นอาการของกิเลสยังยังแนวที่ส่งแสดงถึงถึงการทะเลาะการวิวาทการกล่าวหาการใส่ร้ายป้ายสีอะไรแต่ไรเนี่ยมันจะเกิดมาจากสี่หกหกข้อใหญ่ๆนะหกข้ออย่าโกธโนคือความโกรธ หมาความความกโกรธความไม่ชอบใจไม่พอใจกระทบกระทันกันซึ่งความกโกรธนี่มันไม่แน่หรอกบางทีพระเทศนโยมกโกรธก็มีนะอาตมานี่โดน โ, โ, โดนโกรธต่างหลายครั้งเนะี่ยเทศเรา อ, อธิบายธรรมะละเอียดอธิบายสภาวะของความกโกรธเป็นอย่ังไงยังไงอธิบายตามที่พระเจ้าว่านี่ยนะจริงเราก็เราก็อธิบายฟังนะโยมนีนเป็นคนขี้กโกรธเขาหาว่าเราด่ากระทบขา่าเอา หารเรื่องจนได้เลยอันนี้คือคือคือคือใจมันใจเป็นแผลเขาเรียกลักษณะใจเป็นแผลเนี่ยบางทีคนก็เดินไปก็มองเราโกรธเห็นไหมหที่คนทะเลาะ ก, กันมองทำไมมองทำไมท่าทีได้ต่อแล้วนั่นแสดงว่าใจมันเป็นแผลมาเกิดเป็นความโกรธขึ้นมาซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยก็ได้นะฮะถ้าไปเจอกับคนที่ใจเป็นแผลแล้จะยุ่งยากมากจะลาบากมาก ถ้าโกรธเฉยๆมันก็สร้างปัญหาในขณะนั้นแต่บางทีมันเก็บปัญหาไว้สร้างต่อไปด้วยเ้าเรียกว่าอุปนาฮีคือผูกโกรธเก็บความโกรธเอาไว้ภายในใจนะแล้วก็อาจจะระบายออกมาในแนวที่เชื่อมต่ออย่างจะเคยยกตัว อ, อย่างให้ฟังนะคนนี้ลูกคนนี้ไอ้ที่จริงตัวลูกไม่มีปัญหาหรอกแต่ไม่ชอบพ่อแม่เขาเลยก็ไปเกลียดเด็กด้วยไปรังแกเด็กด้วย คนนี้พ่อคนนี้เราไม่ชอบลูกนะไปโกรธพ่อก็ด้วยอันนี้ญาติคนนี้เห็นนะเราไม่ชอบญาติเขาแล้วไปไปโกรธคนซึ่งเป็นญาติกันคนที่เราไม่ชอบลักษณะของความโกรธมันเป็นกิเลสมันเป็นโรคระบาดโรคระบาดที่แพร่เชื้อไปเรื่อยๆลามปามไปเรื่อยๆลักษณะของกิเลจจึงลามปามคือไม่ไม่ได้หยุดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้จริงธรรมะ ก, ก็ลามปามนะฮะลามปามเหมือนกันแต่ลามปามคนละแนว เลยไม่เรียกว่าลามปามธรรมะนั้นจะปกแข่ในแนวของการปกแข่มันเหมือนกนระร่มเงาของต้ น, นไม้เราจะเห็นว่าเรารักคนนี้เออคนนี้เป็นลูกของคนนี้เราก็รักต่อรักต่อมก็เย็นไปเรื่อยๆเย็นไปเรื่อยซึ่งผิดกกิเลสมันจะร้อนไปเรื่อยๆนั่นคือแนวความโกรธกับการผูกโกรธโกธโนะมักขีการดุมิน การดูหมินการเหยียดหยามการไม่ยอมับไม่ยอมรับนับถือสถานะของของบุคคลนั้นๆซึ่งบางอย่างเป็นเรื่องก็าการเก็บสะสมไวในทางที่ผิดเช่นได้ยินได้ฟังเรื่องราวมาในทางที่ผิดหรือว่าไม่ชอบคนกลุ่มนั้นแหละคนกลุ่มนั้นอะอะไรก็ตามตำนองที่คนไทยเราพูดว่าเจองูก็แขกตีแขกก่อนเห็นชัดมากเห็นชัดมากในคำพูดตัวนี้ นั้นแสดงว่าความคิดตรงนี้มันเก็บสะสมไปเฉยๆแล้วไม่มีเหตุผลอะไรแต่มันปักใจออกมากพอเห็นแขกปั๊บเกิดเกิดดุมินนาทีเกิดไม่ชอบท่านพวกนี้ก็ไปได้เจ้ ง, งูกับแขกเขบอกให้ดีแข่ก่อนถามเหตุผลคืออะไรไม่รู้เพราะจริงๆเรารับต่อๆกันมานั้นรับด้วยโมหะรับด้วยโมหะคือไม่รู้ความถูกต้องความเป็นจริงทําไมจะต้องตัดสินใจอ ย, อย่างนั้น แล้วก็เกิดอาการดูห ม, มินดูหมินโดยชาติโดยยศโ ด, ดยทรัพย์โดยสถานะอะไรต่ออะไรก็หาเรื่องดูหมินเยอะแยะนะฮะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงมันเกิดมาจากมานะหมายความว่าเราในมีมานะ ว, าว่าเราว่าเราดีกว่าเขายัางงั้นยังงั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ดูหมินคนอื่นดูหมินคนอื่นอย่างนัง้นยังงั้นซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ลืมไปเพราะการกระทาของเราที่จริงไม่ต่างอะไรกับเขาเดี๋ยวได้เคยยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามี เวลามีการทําแผนประทุศกรรมที่เราเห็นภาพประจําเลยนะฮะจล้อมรุมศกรรมคนที่เขาไปนำไปทําแผนประทุศกรรมอ่ะบางคนก็ลักทรัพย์บางคนก็ผมคืนก็ทํำจาเราบางคนก็ฆ่าคนตายนะส่วนมากจะสามเรื่องเนี้ส่วนมากจะสามเรื่องเนี้ยนําไปทําแผนประทุศกรรมเราางเกี่ยวกับสถานที่บางเกี่ยวกับคนบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ยก็นําไปทําแผนประทุศกรรมคนจะไปล้อมและฮือเข้าไปและจะจะฆ่าเขา ทุบจี้เขาถ้าเรามองในศีลเนี่ยหมายความว่าเช่นคนอื่นก็ฆ่าคนอื่นตายแล้วเราจะฆ่าเขาให้ตายก็แสดงว่าเราคนอื่นนั้นผิดศีลแล้วคนที่ก็นํานมาทำแผมนมารตุกรรมผิดศีลไปแล้วเรากําลังจะผิดศีลผิดศีลข้อเดียวกันนะฮะผิดศีลข้อเดียวกันทีนี้บางทีเราไปด่าเขาก็หมายความว่าเขาผิดศีลข้อที่หนึ่งเราผิดศีลข้อที่สี่ นะบางทีเขาไปประพฤติผิดในศีล ข, นะข้อกาเมนะจุดฆานอาจารย์มาเขาก็ผิดศี่ข้อที่สามเรากําลังจะไปทุกตีเขาเรากำลังจะผิดศีลข้อที่หนึ่งเห็นนะฮะอันนี้ก็คือก็คือก็คือแนวที่ลืมนึกไปมันจะเกิดมาจากการมานะการดูหมินแล้วนึกว่าที่เราทํำนี่เ ด, ดีทั้งๆ ท, ที่จริงๆก็เรื่องเดียวกันในข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงในแนวจับคู่ให้ดูนะะจับคู่ให้ดูก็ทั้งทั้งหมดอนะ่ะเช่นว่าคนนึงด่าคนหนึ่ง ด่าตอบถามว่าใครเลวก็เลวเท่ากันก็ด่าด้วยกันก็ผิดสิงข้อที่สี่ด้วยกันเห็นนะฮะมันเลวเท่ากันนี่ยนะคนหนึ่งด่าด่าตอบคนหนึ่งประหารคนหนึ่งประหารตอบก็แสดงว่าเลวด้วยกันคือปิดสิงข้อที่หนึ่งด้วยกันคนหนึ่งปุทุสราก็ดหนึ่งปุทุสราญตอบก็เลวด้วด้วยกันมันไม่ได้มีคนดีมันมีคนเลวด้วยกันทั้งคู่ในตรงนั้นทีนี้ถ้าเราหยุดก็ด่ามาเราก็เฉยก็ด่าไป เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบในในคำด่าอะไรเขาด่าเขาก็รับผิดชอบเขาเองเขาร้อนใจเขาเองเขาก็เดือดร้อนด้วยกรรมเขาเองเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยกรรมของเขาเราก็ไม่รับก็จบนี่ก็คือแนวที่มายังเคยมองเมื่อก่อนเนี่ยไปหลวงพ่อวัดวัด ว, ดวดราชาองค์กรนนะนะที่ที่มีขา่าวมันมีคนมาด่าท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งท่านเจ้าคุณศีวิสุทธิวงศ์ ที่ถูกยิงตายเดี๋ยววัดบอลของคนตอนนั้นมาบวชใหม่ๆบวชสักก็ก็ไม่ให ม, ม่นักอนะฮะสี่ห้าพรรษาแล้วมานั่งฟังตอนนั้นก็นั่งฉันข้าวอยู่มีคนเดินเขบวมถึงก็ด่าจังเลยด่าแรงจังหลวงพ่อนั่งฉันข้าวเฉ ย, ย, ยมองยิ้มมองยิ้มโอ้หลวงพ่อนี่ใจเย็นจังอันนี้ก็ใจเย็นจังเขาว่าท่านดุนะฮะแต่จริงๆที่ที่เรารู้มาว่าท่านดุแต่พราโกดมันไม่ดุเลยนะพอถึงเจอก็อย่างนั้น เสรแล้วก็ด่านานๆข้าวท่านก็หยิบส้มส้มก็กใส่ในถาดท่านส่งให้ทางถาดกินส้มไปก่อนด่านานแล้วคอแห้งเดี๋ยวค่อยด่าใหม่ด่านาแล้วก็แห้งก็าด่าใหม่ท่านบอกวันนี้เลยเขินนะเขินแล้วค่อยๆทยอยลงทีละคนเล่นะเห็นไหมถ้าท่านถ้าหลวงพ่อไปดุไปว่าไปเฉียงแทนโอ้จะยุ่งจังพระอื่นก็ไม่ต้องฉันข้าวกันหรอกนี่ก็คือก็คือแนวที่เรียกว่ามันเกิดในขณะนั้นนั้น มันเกิดในขณะนั้นเราไม่ทําอย่างเดียวกับเขาวิธีการสําคัญที่สุดเนี่ยคือไม่ทําอย่างเดียวกับเขาที่แนวสร้างปัญหาก็คือทําอย่างเดียวกับเขาเขาปา โ, <อ>โ<อ>คลนมาเราปาโคลนไปใคยเปื้อนเราเปื้อนหนึ่งสองคนแต่เขาปาเป็คนเดียวนะฮะเราหลบเสียเขาเขาก็เปื้อนนะฮะก็ก็เพื้อนอย่างน้อยก็เพื้อนมือใช่ไหมฮเราไม่เปื้อนเราหลบได้แต่ถ้าเราจับโคลนอย่างน้อยเราก็เปื้อนมือ เปิดมือไปปาเข่ า, ขาอย่างนั้นยเราก็เปิดมือเพราะงั้นนี้คือแนวที่เราย่างโกธโนความโกรธความผูกโกรธความความดูหมินการยกตนข่มคนอื่นการยกตนข่มคนอื่นอย่างงั้นอย่างนี้ก็ ก, ก, ก็แบบดูหมินนะฮะแบบดูหมินนั่นแหละแบบมานะแบบดูหมินแล้วก็ความริษยาความริษยาความเจริญเติบโตของคนทั้งหลายเพราะงั้นในแง่ของ ของการประทุษร้ายจากคนอื่นเราอย่าไปหวังนะฮะเราอย่าไปหวังเราอย่าไปหวังว่าเราจะไม่ถูกประทุษร้ายจะไม่ถูกนินทาจะไม่ถูกด่าว่าจะพ้นทั้งหลายช่วงเราอย่าไปหวังอย่างนั้นมันไม่มีทางหรอกฮะว่าใครทํำคนเราจะดียังไงก็ตามต้องมีคนไม่ชอบนี่คือสูตรและยิ่งดียิ่งเด่นยิ่งคนไม่ชอบเรานึกดูกว่าคนขนาดพระพุทธเจ้านะั้นดีขนาดไหน เราเราพูดสมมุติว่าเราเราเราไม่ได้เป็นเป็นเป็นพุทธศาสนิกันนะฮะอ๋อแม้แต่พระเยซูออ๋พระเยซูก็ได้พระเยซูท่านดีขนาดไหนฮะท่านก็ช่วยเหลือบอกกล่าวชี้แจงแนะนําสั่งสอนคนแล้วผลดูท้ายทำอยู่ได้สองสามปีเพื่อนจับฆ่าได้เลยเห็นไหมนี่เราเห็นนะชาหราคือความริษยาเพราะว่าท่านจากคนรดนรำพระเจนจรคนหนึ่งเนี่ยมากลายเป็นลูกศิษย์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่คนเมื่อก็มันก็ริษยาเพราะคนที่ไปเพิ่มนั้นนี่ยึงเป็นคนคนอื่น เป็นคนอน่นมาก่อนเป็นบริวารพวกฟ้องคนอื่นมาก่อ น, น, น, ค, น, อ น, อนคนก็ไม่ชอบเพราะนฤติษยานั้นจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากคนนั้นเป็นคนดีนะคนที่ถูกริษยาถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาสารพัดนะฮะที่จริงบางทีก็เป็นคนดีเป็นคนดีแล้วเราทนเห็นความดีของคนนั้นไม่ได้ก็พยายาพยายามที่จะ เนี่ยอย่งอย่ ง, อยงพวกนักบวชนอกาศาสนาไปริษยาพระพุทธเจา้ามีคนเคารพนัถือมากก็หาเรื่องไปเรื่อยตลอดประชุมมัจจิตลอดประชุมมัจจิที่เคยเล่าถึงพวกนิครนนาถบุตรที่ตามล้างตามผลานพระพุทธเจา้าเนี่ยสี่สิบสามปีนะสี่สิบสองปีสี่สิบสองปีตัวหัวหน้าจึงตายล้างพระพุทธเจ้าอยู่สี่บสปีนึกนึกนกัทุกทรมานกันานาะส่งคนไปแล้วไปเล่าเบียดเบียนสารพัด้าตคน ไปเผากุฏิของพระพุทธเจ้าสารพัดเล่น42ปีตัวเองไม่ได้สงบอ่ะพระเจ้าท่านสงบของท่านตลอดจนในที่สุดท่านเองมาปีที่42ก็อักเป็นโลหิตตายนะฮะก็อักโลหิตสดๆออกมาตายที่เคยเล่าข่าวในอุบาลีวาทาสูตรนะครับและนี้ก็คือก็คือเราเห็น้อามันเกิดมาจากแรงฤทธิ์ยาทําไมพระเจ้าดีเกินท่านไปดีเกินท่านไปท่านทนไม่ได้ท่านก็ไปไปฤทธิ์ยา ประการต่อไปคือตรรีนะตรณีเราหวงเราไม่ต้องการในคนนั้นได้สิ่งนั้นไม่ต้องการในคนนั้นได้ลาบได้ยศได้สุขได้สันเซิญได้อะไรเนี่ยฮบางทีจริงๆแล้วไม่ใช่ของเราเหรอกของคนอื่นอ่เราจะเห็นว่าคนบางคนเห็นเพื่อนเขาทำบุญมากๆแล้วก็ไปนี่ทําไมทํามากๆเสียได้เก็บไว้ให้ลูกไว้หลานว่างอะไรแต่ใดเห็นไหมเราจรร니แต่จริงไม่ใช่ของเราฮะไม่ใช่ของเรามันเกิดสนิ니ใจมันเอื้อมไปสนร니ถึงคนอื่นทีนี้ เราไม่ชอบคนที่เขาได้ไม่ชอบคนที่เขาได้สิ่งกันนั้นเพราะงั้นอาการการอยู่ร่วมกันตรงนี้เพราะใจฝ่ายหนึ่งมีกิเลสเขาก็มุขขาดสติก็ทิ่มตามอยู่เรื่อยๆเขาด่าวา่าเขากระไหนกระหนเขาใส่ได้ก็ช่างเขานะเราอย่าไปเล่นกับเขาก็แล้วกันอย่าไปเล่นกับเขาก็แล้วกันมันก็แนวตรงเนี้ยแนวที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยให้ชนะความชั่วด้วยความดี เราไม่ต้องการชนะแต่อย่างน้อยก็เราไม่ต้องการอย่าไปทําความชั่วอย่าไปทำความชั่วร่วมกวับเขานะอย่างที่พระเจ้าทรงรับสั่งแก่พราหม์ที่มาด่าพระองค์นะฮะที่มาด่าพระองค์ที่อุปมาเหมือนอาหารก็ เ, เตรียมมาถาวายรับสั่งถามานิพรามเวลามีแขกมาที่บ้านเนี่ยคุณจัดเตรียมข้าวของอาหารใหม่เขารับประทานแต่เจ้าของเขาถ้าแขกเขาไม่รับประทานอาหารนั้นเป็นของใคร แกบอกเป็นของแกพระเจ้าบอกเหมือนกันที่ด่าทั้งหมดนี่ไม่รับเลยนะไม่มีการบริโภคร่วมสมใช้คําว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมแม้คุณ ด, ด่าก็ด่าไปแล้วก็ไม่รับก็จบนี่ก็คือก็คือการอยู่ในท่ากลางคนเหล่านี้แต่ว่าหมายความว่าถ้าเป็นด้วยการมุขสติด้วยกันนะนะหมายความว่าด่าด่ากันไปด่ากันมาแล้วแล้ ว, ลวอย่าอยู่เลยบริษัทที่เป็นพักเป็นพวกหาความสงบไม่ได้ แม้แต่ข่าวคราวทางสื่อสารมวลชนเราเจอว่ากระดากันไปด่ากันมาเยอะเลยแล้วเราอ่านทําไมไปอ่านไ ป, ไปไปไปได้ยินใน้ฟังสิ่งเดียดนั้นทําไมเราอ่านแล้วเราไม่สงบเราเดือดร้อนเราก็เสื่อมศรัทธาเพราะแนวมุขสติเป็นแนวการสะสมบาปสะสมบาปด้วยปากท่านตั้งหลายลองสังเกตว่าแม้แต่การศึกษาเราเรียนพระศิธรรมของเราเองมันก็มีประเภทหนึ่งที่แนวนี้ คือข้อที่ที่ที่เคยบอกไห้ฟังนะว่าหนึ่งอลลัคทูบะมะปริยัตเรียนแบบอสราพิษเรียนวพวกพ่นพิษใส่กันอวดดีอวดแข่งอวดควารมรู้ความสามารถแข่งกันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะแทนที่เรียนกันแทบตายแลยกีเลรียดฟูกันเต็มตัวอีกแนวหนึ่งนั้นเขาเรียกว่า น, นิสนาปริยัตเรียนเพื่อช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติเพื่อฝึกปรือเพื่อช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส แล้วก็พันธาการิกะประยัดเรียนเพื่อรักษาพระสัตธรรมพระศาสนาไว้เพื่อถ่ายทอดเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาแก่คนต่ อ, ตอไปเพราะฉะันก า, การเรียนมันต้องเรียนแบบสองประเภทหลังไม่ใช่เรียนแบบประเภทแรกแต่จริงๆมันมีนะฮะการเรียนประเภทแรกพอรู้แล้วก็เอกมาทิ่มตามมาดาว่ามาปฏิสราการก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าบอ ก, า ก, บ, อกาาบางทีทรงใช้คำว่าขวานมุขสติในบางทีทรงใช้คำว่าขวานมาภิกษุทั้งหลาย คนเราเกิดมาแต่และคนมีขวานใส่ปากมาคนลเล่ม <Bieber> ขวานปากเอามาถากคนอื่นมาถากคนอื่นแต่ว่าขวานนี่ทรงอุปมาเห็นว่าขวานเนี่ยมันดีจะถากคนอื่นนะแต่มันถากด้ามมันไม่ได้ถากตัวมันไม่ได้ถากด้ามมันไม่ได้ดีจะถากเพื่อนไว้ตล่ะถากตัวเองไม่ได้นะหอกก็เหมือนกันนะะทิ่มตามคนอื่นได้แต่ทิ่มตามตัวเองไม่ได้เห็นไหมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรูปปัตถุที่เห็นได้ชัดมากทรงอุปมาชัดมาก มาต้อ ม, มาถากคนอื่นถากตัวเองไม่ได้ก็ตัวเองก็ต้องให้คนอื่นถากให้นะแต่ทีนี้ไอ้ไอ้วาดมันก็เป็นอย่างนั้นทรงใช้แนวอุปมาว่าคนเราเนี่ยหมายหมายความว่าการปฏิวัติเนยขัดเกลียขัดเกลีถามว่าใครขัดกเกลีก็เราขัดเกลีเราเองเราขัดเกลีเราเองด้วยสัง ท, ง, ทงทรงทรงอุปมาเมื่อการผัดชาตนาธิการนาทองเหลืองที่มันขึ้นสนิม เราขัดเองเราถูเองเราดูอะไรเป็นเสื่อมเราก็ถูเองถูเองแล้วก็ดูเองดูเองว่ามันสะอาดแล้วหรือยังไม่ใช่คนอื่นมาช่วยดูให้แล้วเราแล้วใครเป็นคนรับรองผลเราก็รับรองผลเองรับรองผลเองเราก็ถูไปเราก็ดูไปเห็นสะอาดก็ถือว่าใช้ได้นี่คือแนวที่เรียกว่าอยู่ร่วมกันด้วยมุขขัดสติหมายความว่าถ้าใช้าาการทิ่มตามการด่าว่ากัน มันไม่สงบหรอกแม้แต่บ้านสองคนบัวเมียก็แย่แล้วนะไม่ไม่ต้องหลายคนนะนะฮะบัวกับเมียทะเลาะกันทุกวันตื่นเช้าก็ทะเลาะกันเป็นเอ่อเช้าสายบ่ายเย็นนี่มันก็เสร็จแล้วก็อยู่กันไม่ได้แล้วเพราะบริษัทอย่างนี้เทียกว่าบริษัทเป็นพักแบ่งเป็นพักเป็นพวกแล้วในที่สุดก็ขึ้นชี้หน้าด่ากันนี่ยนะชี้หน้าด่ากันเป็นมึงเป็นกูเป็นเราเป็นเขาแล้วอันตรายบริษัทอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสามัคคีบริษัท นะมาใช้สามาัคคีฆาสัตว์นะฮะ ม, มาสร้างสมัคคีบริษัทบริษัทที่อยู่ร่วมกันด้วยความสามาัคคีมองการด้วยสงใช้คามาเดียวปิยาจักษุคือตาของความรักความเมตตามองทุกคนด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีท่อคนเหล่านั้นเพื่อปรับใจเข้ากันได้เหมือนน้ํากับน้ํานมนะฮะอุปมาดีนะน้ำกับน้ํานมนี่เราใจเนาะเอาผสมยังไงเข้ากันได้ตลอด ไม่ใชน้ำกับน้ํามันนะน้ำนมกับน้ํามันก็ผสมไม่ได้น้ํากับน้ำเท่านั้นเองกับผสมกันได้น้ํากับน้ํานมผสมกันได้ข้าวกันได้สนิทผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้แบบน้ํากับน้ํานมสามัคคีมันเป็นเป้าหรือจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ว่าคนไม่รู้สักเท่าไหร่อ่ะนะฮะหลายเผ่าพันธุ์หลายสกุลเรียบร้อยพ่อพันแม่จะมาอยู่เป็นกลุ่มพุทธบริษัท วันกลุ่มผู้บริษัทจึงต้องสามัคคีเป็นสามัคคีบริษัทหมายความบริษัทที่มีความสามัคคีคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกร้องต้องการกันตลอดอยังพระวัดหนึ่งเนี้ยโยนต้องลองนึกนึกดูว่าพระวัดหนึ่ ง, ง, งยไม่รู้ักลูกใครต่อลูกใครอ่ะแล้วไม่รู้จะ ก, กี่ภาคอย่างตรงวังตบรบอลเนี้ยมีพระทุกภาคของประเทศและมีพระต่างชาติตั้งหลายชาติแล้วมาอยู่ด้วยกันทํายังไงแบบไม่ทะเลาะกัน มันเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเป็นปัญหาภูเขาที่แก้ที่แก้ยากที่สุดทําให้วัดบางวัดนะฮนะชาวบ้านผ่าไปสองซี่วัดเป็นสองเป็นสองซี่เพราะอะไรเพราะเกิดทะเลาะกันมันก็กลายเป็นอยู่บริษัทวัดบริษัทแบบอยู่เป็นวัดเป็นพักตะกี้เนี่ยนฮะมายคว า, า่าก็ทิ้มตามกันโดยมุขขันติชาวบ้านเองมาวัดแทนที่เจียจสงุบมันก็นั่งคอนแคะกันมาด่าว่ากัน และไม่รู้มาทำบุญทำไมนะฮะเสียวเวลาเราอยู่ที่บ้านดีกว่าอยู่ที่บ้านดีกว่าเพราะว่ามาถึงวัดเต็มที่จะเพิ่มบุญมันกลาเป็นการเพิ่มบาปไปเพราะการอยู่ร่วมกันโดยเมตตาแล้วก็ท้องใช้คำให้คำแปลกออกไปตัว น, นี้นะและตั้งหลายลองสังเกตว่าที่เราเจอมาส่วนมากจะเน้นเมตตาจะเน้นที่เมตตาแต่ตรงนี้ไม่เน้นเมตตาเน้นมุทิตา นะ <S an ct i> อยู่ร่วมกันโดยมุติตา <choices> คือเพลิดเพลินชื่นชมยินดีต่อกันและกัน <S <S <an ct i> นะใครมีความเจริญกหน่าจะไงเราก็ชื่นชมยินดีต่อกันแลกกัน <S <S <an ct i> ใจนั้นสามารถขจัดริษยานะพระเมตตาไอ ม, มุติตากับฤิษยานี่มันมันมันอยู่ร่วมกันไม่ได้นะอยู่ร่วมกันไม่ได้เห็นไหมว่าปัญหาตะกี้เนี่ยพูดถึงตัวริษยาอยู่ตัวหนึ่งกันตัวที่ห้านะฮะคือ ริษยาความโกรธความผูกโกรดความดูหมิน่นความแข่งดีความริษยาความตนนี้ต้องขจัดจความริษยาออกไปเพราะว่าในหมู่คนในคณะบุคคลที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มีความเจริญก้าวหน้ากว่ามีคนที่อยู่กลางๆมีคนที่ล้าหลังเราจเห็นว่าคนทุกคนเนี่ยนะคนที่เขาเจริญก้าวหน้าเราต้องมุติตาถ้าเกิดริษยาแล้วยุ่งเนี่ยจะบิยดเบียนกันเลย แต่ว่าคนที่เขาล่าหลังเราต้องการดูนาเขาใช่ไหมเราจะการกุณาเขาไม่ใช่ซ้ําเติมไม่ใช่ไปเบียดเบียนเขาเดีวคนที่ยังไงเขาก็ไปได้เราก็เมตตาเขาเห็นไหมว่าคนเระเนหนึ่งมันตกอยู่ข้างหลังเราต้องดึงขึ้นมาต้องดึงขึ้นมาตรงนี้คนประคับประคองว่าตัวนี้เราต้องเชิญสูงขึ้ น, น อ, ยอย่างที่บอกว่าเหมือนกับของวางอยู่สามจุดวางสามจุดว่าถ้าวางข้างบนเราก็เทิดทุดอยู่ข้างบนเราต้องเอื้อมขึ้นไปสำคัญ อยู่ตรงกลางเราก็ต้องเอื้อมมือเข้าไปจับอยู่ข้างล่างเราต้องก้มลงไปยิดนะจึงจะสามารถจะเอาของเหล่านั้นขึ้นมาได้ถ้าแ ม, ม้นมันมันไม่ไม่ได้นะสัมผัสกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราจะมีลัศมีอย่างนั้นว่าคนที่เราอยู่ร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีการสอนครึ่งท่านทั้งหลายเราสังเกตว่าถ้าเราไม่เมตตาเขาเนี่ยเราเรามุติตามไม่ได้หรอกนั้นจึงเป็นการสอนโดยอุบายวิธีต้องการเน้นต้องการเน้นในจุดใดท่านนั้นเองจริงๆแล้วอุเบกไม่ใช่ พรมิหารเนี่ยเขาต้องมาด้วยกันเพียงแต่ว่าใช้กันคนละกรณีแต่นั่นเองเป็นปัญหาใหญ่มากคือว่าคนเราตามปกติเนี่ยเราใช้ธรรมะ ก, กันไม่ค่อยเป็นเนี่ยน ะ, ะอาตมาเคยทดสอบหลายแข่งไปบบรวมพระทีนึงสองสามร้อยสี่ร้อยนะฮะบางทีนั้งสี่ห้าร้อยเนี่ยเราต้องลองลองถามท่านดูเนี่ยให้ท่านตอบพร้อมรองเสียงแตกตทุกทีเลย เสียงแตกเสียงเสียงประสานกันขัดกันเองในในในเสียงนั่นะเราถามว่าคนเดินมาห้าคนคนหนึ่งหกล้มคนหนึ่งวิ่งก็ไปช่วยคนหนึ่งหัวเราะคนหนึ่งด่าส่งคนหนึ่งยืนดูเฉยๆถามว่าไอ้สี่คนเนี้ยใครมีธรรมะในกรณีนี้เสียงแตกถามครั้งแรกถามที่พานัตนิคมนะฮะถามดิพานัตนิคมทราบประมาณตั้งสามร้อยกว่า เสียงแตกเปลี่ยนตัวอย่างใหม่ห้าคนเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนตัวอย่างใหม่ห้าคนเหมือนเดิมว่าคนหนึ่งเนี่ยไปชกสตางเขาฉกกระเป๋าของคน ร, ริมถนนคนหนึ่งวิ่งก็ไปช่วยตำรวจไล่จับนะฮะตำรวจไล่จับคนหนึ่งวิ่งก็ไปช่วยคนหนึ่งด่าทรงคนหนึ่งยืนวรอร์คนหนึ่งเดินยูน่เฉยๆถามว่าไอ้กรณีนี้ใครมีทำมาเสียงแตกแล้วเอาไปทดลองถามหลายแห่งหลายภาคด้วยนะฮะนิทานเดียวกันเสียงแตก ยิงแต่แสดงว่าการวินิจฉัยธรรมะในกรณีนี้นึกไม่ออกว่ามหูใช้อะไรที่จริงการใช้ธรรมะมันก็เหมือนกับการใช้ใช้มือใช้ช้อนใช้ซอบใช้อะไรตะเกียบตะเกิร์อะไรแต่ในเนี่ยเวลาเราประทานอาหารประหาไใช้เป็นมันไม่ใช้ใช้มือตลอดหรือใช้ซอบตลอดใช้ช้อนตลอดก็ใช้ยังไงแหละในกรณีนี้เราก็ใช้ถูกแล้วกัน ธรรมะในกรณีแรกท่านจะเห็นว่าคนประสบความทุกข์นะหกล้มเลยประสบความทุกข์ทำอย่างอื่นไม่ได้นะฮะนอกจากกรุณาทําเมตตาแผ่เมตตาไม่ได้เพื่อนล้มแหบ่เมตตาในเงี้ยต้องช่วยแล้วมันมันมเมตตาเฉยเฉยไม่ได้แล้วมื่อเมตตาต้องเปลี่ยนเป็นกรุณาโมทิตาหรืออูไม่ได้เลยนะแสดงความยินดีนะที่หกล้มหัวแตกไม่ได้เลยโกกันตายเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้คนที่เข้าไปช่วยคือถูกต้อง คนหัวรอกก็เกินไปดา่าทรงก็เกินไปนะยืนดูเฉยๆก็ใจจืดไปแต่ว่าในกรณีที่สองเนี่ยคนทําผิดนะเพื่อนเราก็จริงแต่ไปฉกกระเป๋าเขานี่มันผิดเป็นผิดกฎหมายตำรวจจับถูกต้องตำรวจจับถูกต้องบพราะคนวิ่งไปช่วยผิดคนหัวรอกก็ผิดดาทรงก็ผิดดาเขาทาอะไรดาเขาทาอะไรเพราะเขาทําผิดแล้วเนะี่ยเขาก็คืออัธินาทานเราก็คือมุสาวาต เห็นไหมฮะเราไปทำผิดร่วมเขาด้วยไอ้โนดไปช่วยสมโจรช่วยกันาสมโจริดกฎหมายมันแกน่คนที่หัวเราะมันมันมั น, ม, นมันนอกเรื่องนอกเรื่องแต่คนที่ด่าส่งเนี่ยเราผิดศีลข้อมูสาวว่าเขาผิดแล้วเราทำไมต้องไปด่าเขาไมเห็นไมคนยืนดูเฉยๆกลับถูกต้องคืออุบเบกขาตอนนี้มันกรรม มันเป็นเรื่องของกรรมเป็นไปตามกระแสะกรรมเพื่อนเราก็เพื่อนเราอ่ะก็ทําผิดอ่ะทา ผ, ผิดก็ต้องผิดทําผิดก็ต้องผิดเพราะว่าคําผิดเนี่ยมันเหมือนกับวินยัยของพระเจ้าเลยนะวินัยพระเจ้าผิดก็คือผิดมันไม่ใช่ว่าเออคนนี้ใหญ่กว่าเราคนนี้เพื่อนเราคนนี้พวกเราทําแล้วไม่ผิดเราเองยังผิดเลยมันวินัยของพทธเจ้าเพราะว่าตรงเนี้ยเราต้องปล่อยไปตามกระแสะกรรม อย่าไปอย่าไปาเข้าพักเข้าพวกแค่ไปช่วยอย่าไปอะไรนะะอย่าไปช่วยแต่ไม่ใช่โกรธเขานะฮะไม่ใช่ไปด่าคนทําผิดนะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช่วเออนี่เพื่อนเราทําผิดด่ามันเลยด่ามันทําไมด่ามันทําไมก็ปล่อยมันไปเราอาจจะใช้กรุณาบางระดับเมตานะกรุณาคงไม่ไดนะ้แต่ว่าการุณาได้ในบางจุดหมายความว่าทําไงชี้แจงนี่เออนี่ทําผิดแล้วนะไปมอบตัวเสียนะไป ไปสารภาพความผิดเสียเราก็กรุณาเขากรุณาเขานะช่วยได้แต่ไม่ใช่ไปไปด่าด่าไม่ได้ด่าก็ไม่ได้นะแต่หลักหลักเฉยๆถ้าเข้ากระบวนการแล้วต้องต้อ ง, ต, องต้องเบิกขาเบาิกขาอยนะ่างเพื่อนเราฆ่าคนตายหนีไปตอนนี้เราสงสารเพื่อนเราตามได้นะตามตามขอร้องเขาให้มามอบตัวอย่าไปต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำได้แต่มุทิตาไม่ได้ไหมมุทิตาเนี่ยไม่ได้ มุติตาไม่ได้กรุณาการุณาตัวนี้กรุณาเพื่อให้เขาทําให้ถูกต้องยา้ายผิดลึกได้นะแต่ไม่ใช่ช่วยเขาหลุดพ้นจากความผิดอันนี้ไม่ได้เราต้องแยกให้ถูกว่าตรงไหนมันเป็นยังไงตรงไหนทําได้ตรงไหนทําไม่ได้นั่นก็คือธรรมะในแนวของการปฏิบัติเหมาะสมสอดคล้องซึ่งในกรณีที่ทรงใช้มุติตาแต่อย่างที่บอกแล้วว่ามุติตามันเกิดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีเมตตาเราเกิดไมน แต่หลายลองสังเกตนะว่าคนเขาสมมติคนประสบความสำมร็จเนี่ตรงนี้อันมาอย่างยังมองอย่างว่าสังคมเนี่ยมันค่อนข้างดีตรงตรงนี้นะฮะในกรณีที่ที่เป็นระดับชาตินะเป็นระดับชาติเช่นอเมริกันเนี่ยเขาก็รังเกียจคนผิวดํานะฮะแต่ลองสังเกตว่าวีรบุรุษของเขาพวกนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่จะผิวดําจะผิวดํา แล้วก็พี่เลี้ยงนี่จะเป็นผิวขาวเซนเนอร์นี่จะเป็นผิวขาวผู้จัดการใดๆมักมักจะผิวขาวแล้วก็พวกนั้นจะผิวดาคือแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าโดยอุดมการชาติแต่นี่ผลประโยชน์ร่วมกันนาะนจริงนะมันมีผลประโยชน์อยู่ด้วยมันมันมันรู้สึกว่าตัวเองได้ผลประโยชน์คนคนขจัดนิสยาได้ในเมื่อตัวเองมีผลประโยชน์ร่วมแต่ว่าเรามองมองอีกทีหนึ่งว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขามุติตาได้ ก็แสดงว่าเขาก็จัดลิสยาตรงนี้ได้แต่ถามว่าจุดสําคัญอยู่ตรงไห น, น, นจุดสําคัญอยู่ที่เราเป็นชาติเดียวกันเห็นไหมฮะเป็นชาติเดียวกันเป็นเกียรติเป็นประวัติเป็นศักดิ์ศรีของชาติบ้านเมืองเราจะชื่นชมในตัวตัวนี้ได้ส่วนดีตรงนี้จึงจึงจึ ง, เ ป, เ, งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอจตมาซึงซึ้งที่ที่ที่คนหายที่เขาใหญ่กับที่ที่อะไรอะ่ะที่โตนงาช้างก่นกอนอะ่ะ นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่หายไปแล้วก็นคนหนึ่งไอ้น่าหลานเลรแต่ไรที่หายไปในเขาใจเราชื่นชมมากตรงนี้ว่าเออเนี่ยนี่คือวิญญาณนี่คือวิญญาณของคนไทยที่มีว่าเวลามีเหตุการณ์วิกฤตมันจะมีวิระบุรุษนิรนามปรากฏขึ้นเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมพอจบแล้วก็อันตรธานไปเลยไม่มีชื่อเสียงปรากฏในประวัติศาสตร์นบุรุษนิรนามนวิรบุรุษนิรนาม ตรงนี้แสดงว่าคนยังมีเมตตากรุณาอยู่นะในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะนะแต่พอมีผลประโยชน์อะไรเข้าไปอยู่ด้วยมันออดจะอดจะไปอยู่ในมุขขาดสติคือหอกปากไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มในกลุ่มที่สองไม่ได้แต่โดยพื้นเราเร า, เราจะเห็นว่าสิ่งดีงาม น, นี้ยังยังมีอยู่ในสังคมไทยเราเห็นให้เราชื่นชมนะฮะปัญหาสําคัญว่าเราจะสร้างบริษัทประเภทนี้ได้อย่างไงตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ ทรงแสดงไว้เรียกว่าเหมือนกันเป็นเป็นพิมพ์เดียวเลยนะฮะหมายความเป็นบล็อกเสม็จรูปเลยว่าถ้าเธอต้องการอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะต้องการอย่างเงี้ยต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสมานสมามัคคีเปน็นหนึ่งเดียวกันเป็นบริษัทที่มองด้วยความชื่นชมเมันจะต้องเริ่มที่จิตเมตตาจิตนะเมตตาคือสร้างเมตตาเป็นพื้นฐานต่อกันให้ได้ แล้วก็อย่าไปเล็งผลเลิศนะกับคนดีเมตตาเนี่ยถ้าเราไปเล็งผลเลิศเราเล็งยากจะเอาอยากไหมมันจะเลือกที่รักมักที่สั่งมันจะเลือกเมตตาเจ้าขุนเมตตาจริงต้องต้องต้องใช้แนวสเปชตาหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแต่ทีนี้นิ่งๆจะเป็นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคงทํายากนะฮะมันก็ต้องพยายามฝึกปรือแนวเมตตาจึงเป็นแนวที่ค่อยๆสร้างความรู้สึกค่อยๆข ย, ย Khal าย яр, ค่อยๆแสดงออก โดยพื้นฐานจึงสอนใหใช้ในชีวิตประจำวันทำอะไรด้วยกายนะฮะก็ทำด้วยเมตตาอย่างน้อยก็ไม่ไปกัดขวางตัดรอนริตรอนสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลอื่นคือเรายังทำเคื้อกูลเลยเขายังไม่ได้นะะแนวตรงนี้นท่านเห็นว่าจริงๆมันเป็นแนวศีลแนวศีลก็คือไม่ถึงกับไปริตรอ น, รอนตัดรอนกัดขวางผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนึกถึงคนอื่น จะจอดรถก่อนนึกถึงคนอื่นเดี๋ยวเขาจะเข้าลำบากเดี๋ยวเขาจะออกลำบากอะไรต่นึกนึกถึงคนอื่นเรื่อยๆนะเป็นแนจิตเริ่มปกแผ่เริ่มขยายเริ่มเอื้อเริ่มเอื้ออาทรถรองคนอื่นครับแล้วพัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆจนสามารถกระทาที่เป็นประโยชน์เกือคุณต่อเขาก็เป็นเมตตาทางกายออกมาตรงนี้เราจะเห็นว่า เป็นสาธารนณะอย่างยังมองดูได้นะฮะแต่ว่าแนวตัวทั่วไปรู้สึกขาดแคลนเยอะเพราะว่ามันจะมีผลประโยชน์เข้าไปอยู่คือเมตตาเนี่ยมันเป็นอาทรนะฮะเป็นเอื้อทรเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการทำประโยชน์เพื่อคนอื่นเรานั้นได้ทำความดีเรานั้นได้ทาความดีคือเมตตาแต่คนนั้นได้รับประโยชน์เชเราเมตตาช่วยเหลือคนข้ามถนนเราได้ทำความดีที่ช่วยคนข้ามถนน แต่ไม่ใช่ได้เงินนี่ยนะไม่ใช่พอช่วยก้าวต่อหน้ากับแบมือกอดตาของประชาช่อย่างนงั้นอันนั้นนวัตใจเมตตามันเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจเมตตานั้นเรามุ่งให้เขาเพราะจุดที่ต่างวันก่อนนี่เราทำรายการโทรทัศน์ก็มีโยมก็ถามโยมที่เขาครอบครัวก็เลี้ยงหมานะฮะเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์พิการเนี่ยตัย้งสี่ห้าร้อยตัวแล้วเขาก็ถามว่าไ อ, อความรู้สึกอย่างนี้นะฮะความรู้สึก เขาเขาพูดว่าเขาเมตตามาบอกไม่ใช่เมตตาเราอยู่เนี้ยตัวหลักจริงๆนะคือการุณาการุณาคือเราต้องการาบบัดความทุกข์ให้แก่คนเหล่านี้แก่สัตว์เหล่านี้แต่จริงเมื่อเมื่อเราเกิดการุณาเนี่ยคุณจะเล็งผลเลิศถ้าคุณเล็งผลเลิศกันเดือดร้อนนะเพราะบางทีเกิดนอนร้องไห้เลยสัตว์ตายเนี่ยบสัตว์มันมันมันป่วยนะั่นคือใกล้าตาย อย่า ง, งสัตว์ป่วยนี่คือใกล้ตายไม่ใช่เราเล็งบดเลยบทถ้าฉันเลี้ยงเือลราเธอต้องหายมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันเล็งบทเลยล้าคุณเป็นทุกตายแหลาอย่างนั้นนะเพราะว่าสัตว์ป่วยเจ็บนั่นคือสัตว์ที่ใกล้ตายเพราะฉะเราต้องแบ่งไว้ว่ามันอาจจะตายก็ได้เอาเอาสักแหวหายสักสาอซนตหนึง่งนะตายสักเ0อรอตหนึง่งาหรือว่าไม่เลยห้าสสก็ได้ คิดว่าเออจะหายจะหายสักห้าสิบอาจจะตายสักห้าสิบเะนต้องทำใจไปด้วยอย่าไปเล่งผลเลิกเลการการใช้เมตตาการใช้กุณาไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่เป็นอย่างนั้นตลอดหรอกมันจะเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ว่าเรารับผิดชอบในกรอบที่เราทำนะเราไม่ใช่รับผิดชอบในในเขาเออ ถ, ถ้าเราช่วยแล้วต้องไม่ตายมันมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเองอย่างตายเลยจะเอาอะไรลรา แต่ว่าเราได้ทําความดีนั้นคือประเด็นที่สําคัญที่สุดเพราเราได้ทําความดีแล้วเราก็ช่วยแล้วนะฮะสมมติเนตกน้ําเราก็ช่วยเต็มที่แล้วเอื้อมือเต็มที่หมดแล้วก็หลุดลงไปอ่ะเร า, าก็จะทําไงเราช่วยแล้วนะ<ด flashlight>เราก็สุดดิ์แล้วเขาก็หลุดหลุดมือเรานะฮะเราก็จับไว้ไม่อยู่ก็หลุดมือไปก็ก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องที่เราต้องทําใจ เราไม่ได้เป็นเหตุเล้เขาตายตอนนั้นก็พอแล้วนะเราเป็นไม่ไม่เป็นเหตุเลยเขาตายแต่ว่าเราจะป้องกันความาตายไม่ได้เพราะเราเองเรายังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะการการใช้ธรรมะตรงนี้ด้านตั้งหลายเจนว่าไม่จะเล็งผลเลิศนะฮะเล็งผลเลิศไม่ได้เพราะจริงๆแล้วคนเนี่ยเขาจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาหรือไม่ใช่ว่าคนนี้ถ้าเราดีกับเขาแล้วเขาต้องดีกับเราไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเราดีกับเขาเท่านั้นเองเรารับผิดชอบได้เฉพาะเท่านั้น ทวงก็จะดีกับเราหรือไม่นํานเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าถ้าเราช่วยเขาแล้วเขาต้องช่วยเราวันหลังก็ต้องช่วยเราไม่ใช่แต่งั้นเราจะเดือดร้อนแล้วใจเราจะจะไม่สงบมันคล้ายๆเป็นธุรกิจที่ลงทุนว่าต้องได้กําไรนะถ้าไม่ได้กําไรเราก็ไม่ลงทุนเพราะว่ากลายเป็นโลภะเพราะเราไม่ได้ตามที่เราต้องการกลายเป็นโทสะแต่เมตตาไม่ใช่นะฮะเมตตาไม่ใช่เลยเมตตามันจะออกมาเป็นอุเบกขาอย่างที่บอก แต่เราเมตตาเขาอย่างงั้นอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาไม่มีน้ําใจไม่เอือร์ทอนหลวงใหญ่แล้วก็อุเอะขาขปล่อยเขาไปนะเขาเรื่องของเขาแต่วันหลังก็เดือดร้อนขึ้นมาเราช่วยอีกก็ไม่ได้แปลกอะไรอะเราก็ได้วำกวดีอีกนะไอ้นี่คือคือประเด็นที่เราต้องจับว่าไม่ใช่คนชั่วแล้วไม่ต้องช่วยไม่ใช่คนชั่วเราก็ช่วยช่วยในวิสัยพุทธเจ้าห้ามคบนะฮะไม่ใช่ห้ามช่วยนะเราต้องรู้ไว่อย่างหนึง่ง ห้ามคบผ่านแต่ว่าการจะสงข้อโนเคราะห์ขเขาเนี่ยแม้เขาจะช่วยไรย่เรือทามยังไงก็ตามนะอาตมาอาจจะมีพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะหรือมาอยู่กับ น, นักโทษมาตั้งแต่ศูนย์สี่ถึงสองศูนย์คุกแถบเนี้อยู่กันบางทีเป็นวันเยนะอยู่ในคุก น, น, นั่งคุยกับ น, นักโทษเทศสอนตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปตรงนั้นมานั่งฉันข้าวกับนั่งคุยกับ น, นักโทษ อายั ง, ย, งยังไม่มีงานอะไรก็ไปแวดคุยกันักโทษเป็นรายตัวนั่งคุยกันรายตัวเราคุยสนิทสนมเราไม่รู้สึกอะไรเลยเราไป็สูขคนนี้คนเลวเลวมากคบไม่ได้อะไรอะไรนะเราสะสมมาตั้งแต่ศูนย์สี่นะถึงสองศูนย์เนี่ยเป็นความรู้สึกที่ที่ไม่รังเกียจใครไม่รังเกียจใครเราไปทํางานกันที่ที่เบอร์ลินพวกพวกอย่างที่ว่าอะไรนะฮนะไปครั้งแรกเนี่ยเขาไม่กล้าเข้าใกล้ ก็อายนะฮะแล้วก็ไปครั้งที่สองเราคุณเข้ามาเราไม่ได้แสดงอะไรเราไม่แสดงรังเกียจอาชีพของเขาเขาคือพี่น้องเราคือคนไทยคือพี่น้องเราพลาดบ้านไกลเมืองมาเราก็ไปเยี่ยมเยียยมพักพักไทยสนิทสนมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีความรังเกียจรังงอนไม่น่าขยะข ย, ยงเสียศักดิ์เสียอะไรแตไร่ไรไม่มันไม่มันไม่ใช่ น, ใชนาชีพของเราหน้าที่ของเราคือเมตตากรุณาท่านั้นเองเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบ เพาะฉะการมองโลกตรงนี้มาว่าพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานในค่อนข้างสำคัญยังยังสงสัยบางทีเขาก็ต่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยไอาการมองโลกเนี่ยมันต่างกันเรามีประสบการณ์ภาคสนามเราต่างกันเราไม่เคยรังเกียจใครนักททษประหาร น, นั่งคุยสนิทสนุนมันคุยกันสนิทสนมธรรมดาเหมือนคุยกับญาติแล้วไม่รู้สึกรังเกียจอะไรรูปร่างหน้าตาพฤติกรรมเราเราไม่สนใจมันเรื่องเขาชั่วกเรื่องของเขาอะ อันนี้เราจะเห็นว่าที่จริงพื้นฐานสาคัญเนี่ยไม่ล้มข้ามได้คนล้มอยากข้ามหนึ่งคือประเด็นเดนไหมเนี่ยโบราณท่านสอนให้เรามีเมตตาเขาล้มไปแล้วทําไมกระทืบเพราะทำไมเราหน้าที่ของเราก็คืออุเบกขาหรือหรือกรุณาการุณาในกรณียกเขาขึ้นมาได้แต่การนี้บางอย่างเราการุณาไม่ได้การนาการนาไม่ใช่ว่าหยุดไปหมดเลยนะบางตอนเราทําได้อย่างที่บอกอว่าเพื่อนเราไปทําชั่ว คนตายหนีไปตำรวจกำลังไล่ล่าเราก็ช่วยตามเขามาช่วยตามก็มาให้มอบตัวเสียเราไม่ไปจับเขาหรอกเราไม่ใช่ตำรวจแต่เราไปขอร้องในฐา น, นะเพื่อนเอ้าเลยมอบตัวเสียดีกว่าจะให้ถูกตำรวจก็ฆ่าเันก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะแต่ว่าพอไปถึงส่งถึงตำรวจแล้วอย่างนี้เราก็ทำได้แค่ไปเยี่ยม นะเอาอาหารไปให้อะไรอะไรไปให้เราก็ทําได้นะอยู่ในวิสัยทันได้แต่ไม่จะไปบุ้นวายในกระบวนการตรงนู้นเขากรกบวนการนิติธรรมเขาถ้าตรงนั้นไม่ได้แล้วนะฮะตรงนั้นต้องอุเบกขาแล้วเดินไปตามกระบวนการนี้คือธรรมะในแนวที่มันจะเดินของมันไม่ตานั้นต้องแสดงออกมาทางกายทางวัจจารถิสำคัญอย่างยิ่งก็คือพื้นฐานทางใจ ท่านทัหลายเราสังเกต น, นะเมตตาต้องขจัดอะไรขจัดโทสะเห็นไหมขจัดโทสะโดยตรงเขาเรียกขจัดโทสะเมตตาขาจัดอะไรอีกขจัดโลภะคนเราเมตตาเราให้ได้นะฮะเราให้ได้เราสมเออกล้าได้เราเมตตาเพราะงั้นเมตตาจึงไม่ใช่หวังประโยชน์หวังประโยชน์เพื่อกูดวันนั้นก็ถามนะครับว่าเราปรองเมตากัน ร, รักเป็นยังไงเมตรักนั้นเราต้องการผลตอบสนองนะฮะ ต้องการบนตอบสนองถ้าเราไม่ได้เราโกรธนะฮะเราโกรธเช่นว่าชายหนุม่ม ร, รักหญิงสาวอย่างเงี้ยหญิงสาวรักชายหนุ่มเนี่ยถ้าควายหไม่รักตอบโกรธนะโกรธนะอกหักเลยก็ว่าอกหักมันหักยังไงอกมันเปาะเลยเกินเลยนะไอ้นี่เห็นนะฮะรักเนี่ยมันต้องการตอบสนองแต่เมตตาไม่เมตตานั้นต้องการให้เพราะเมตตามันไปนขจัดโลภะขจัดโลภะขจัดราคะขจัดโมหะขจัดโทสะ เมตตามเป็นธรรมะธรรมะที่ที่เราเจอบ่อยที่สุดนะเป็นเจอบ่อยที่สุดเพราะว่ากิเลมันก็โลภโกรธหลงนะแล้วปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่ที่โลภโกรธโลภ ก, ก็โกรธเพราะฉะนั้นเมตตาก็ตัวมาจากความโรกรธไปมาจากความโลภแล้วต้องมีอยู่ในระเบียบินในเดียวกันหมายความมีศีลเสมอกันสำนวนบาลีตั้งใช้คําว่าศีลสามมัญญาตาคืออยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบกติกามัญญาต่างๆนี้เหมือนกัน มันไม่สร้างปัญหาให้กระทรบกระทั่งทางใจกันเช่นสมมุติว่าเรามานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่อย่างเงี้ยทุกคนก็อยู่ในระเบียบวินัยด้วยกันไม่ใช่พอนั่งกรรมฐานแล้วก็ล้วงถุงกรอกแกลบมะกรอกแกลบกรอกแกลบมาแกลบอย่างนี้เพื่อนก็นแย่เลยอันนี้หมายความว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยอยู่ในระเบียบวินัยด้วยกันเอตรงนี้นั่งสมาธินะนั่ ง, น, งนั่งสมาธินะอยู่ต่างจังหวัดต่ตางจังหวัดบางทีโยม ก็เริ่มเทศเอาตะ บ, บันหมากตะ บ, บันนะไม่ตะ บ, บันตรงนั้นได้อันน้แล้วไม่มีเครื่องขยายเสียงด้วยเนะาะปรเทศยากในต่างจังหวัดที่จริงทําได้ง่ายๆนะบางทีเราก็แก้แรงๆนะหาวิธีแก้วิธีแก้ก็ก็ไม่ว่าอะไรเขานะเราก็หาวิธีแก้่ที่ทให้มันมันมันเรียบร้อยคือมหมายความมาให้อยู่ในระเบียบวินัยในขณะนั้นนะระเบียบวินัยเป็นเป็นเรื่องดีค่อนข้างยาก เพราะว่ามันเป็นจิต Wagner, สํานึกที่คนจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องแก่กรณีนั้นๆแต่ท่านทั้งหลายเห็นว่าจริงๆไม่ใช่ถาวรไม่ใช่พฤติกรรมถาวรว่าตรงนี้เรานั่งอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้วางตัวอย่างนี้แต่ไม่ใช่อย่างนี้ตลอดอย่างนี้ตลอดตรงอื่นก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรวินัยจึงเป็นเรื่องของการละเทศกุมคนบุคคลกรณีนั้นๆที่เราจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมนะฮะตรงนี้เรานั่งอย่างนี้เหมาะสมแล้วแต่ตรงอื่นไม่เหมาะสม เห็น ไ, ไหบางทีเรานั่งฝ่ายห้างนั่งเอกเอกันเอกยังไงก็ได้คนเดียว mm hmm. ก็ไม่ระบายอะไระนั่งไปสุดแต่ถ้าต่อหน้าสาธารณชนโดรนั่งไม่ได้ทีนี้สาธารณชนอะไรอีกอบางแห่งเป็นสมาคมพลังเราก็นั่งได้อีกนั่งได้อีกก็ไม่ได้แปลกอะไรอันนี้มันมันก็อยู่ที่ว่าสํานึกรู้ว่าตรงนี้ยกลุ่มคนกาละเทศะกลุ่มคนบุคคลสําคัญที่สุดก็ก็ก็ก ความเหมาะความควรตรงเนี้ยเหมาะควรยังไงกาละอย่างนี้สถานที่อย่างนี้กลุ่มคนอย่างนี้บุคคลอย่างนี้เราปฏิบัติยังไงเรีเยวกว่าเหมาะควรนะเราจะใจว่านั่งผ้าหนึ่งกับบุคคลหนึ่งได้เพราะพอกับกับบุคคลหนึ่งปรากฏออกไม่ได้ต้องนั่งอีกวะอีกอย่างหนึงมันก็ต้องต้องฝึกใหม่ทั้งหมดนี้ก็คือก็คือระเบียบปีไหนกฎกติกาต่างๆที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ ผสมประสานกันเป็นอันหนึ่งอเดียวกันไม่ได้เกิดการกระทบกระทั่งแล้วก็ปัญหาเรื่องความคิดเอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรามีประสบการณ์ในต่างกันหรือเรื่องแต่ละเรื่องนี่เรามีประสบการณ์ต่างกันแล้วคนเนี่ยมักจะเกณฑ์ว่าถ้าฉันเห็นอย่างนี้ทุกคนต้องเห็นอย่างนี้ซึ่งอันตรายมากเลยเพราะถ้าจะเห็นอย่างนี้ทุกคนต้องเห็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นอย่างฉันคือผิด ตกลงฉันคือใครตกลงไม่รู้ว่าฉันคื อ, คอใครโดยหลักพระพุทธศาสตราสนาในพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาแนวอัตาตาเดิบไตเห็นไหมแนวอัตาตาดิบไตโลกาดิบไตธรรมาดิบไตมันมันมันจะมีหลักอสามหลักว่าหนึ่งแนวตัวเองเป็นฐานใหญ่เราเป็นใครรเราเราเร า, เราเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้นะฮะเราเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้เราไม่ใช่ข้าวเกณฑ์เราได้บางระดับบางเรื่องนะ แต่เราไม่ใช่พระอาหารหันต์เพราะเราจะเป็นเกณฑ์ทุกเรื่องไม่ได้พระหันตอนั้นเองจะเป็นเกณฑ์ทุกเรื่องได้เนวโลกสังคมกลุ่มคนกลุ่มคนไหนล่ะกลุ่มคนไหนล่ะถ้าหาว่ากลุ่มคนนั้นเขาเป็นคนพาเนี่ยนะฮะเอาคนพาห้าสิบมาประชุมกับกับพระหา้ารูปพระก็แพ้เอาไว้อาจารย์ใหญ่เลยเ อ, าอาจารย์เทศหลวงปู่เทศอะไรอะไรมาประชุมโบสถเสียงก็แพ้แพ้คนพาห้าสิบ เก่งยังไงก็แพ้เห็นไหมมาพรามาใครถูกเขาไม่รู้แหละแต่ว่าคนบัณฑิตไปสู้ได้ที่ไหนเราห้าคน อ, อธิบายเหตุผลยังไงเขาฟังรู้เรื่องที่ไหนแล้วกับคนพานะอธิบายไม่ได้นะฮะเพราะงั้นตรงนี้เราเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มองจุดนั้นพระเจ้ามองว่าวินยูชนสรรเสริญเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้มองแบบโลกถ้าจะเอาโลกก็คือวินยูชน วินญาชนสันสซินไม่เอาคนผ่านสันเซินดูสิคนนี้เป็นวิน ญ, ญชนหรือเปล่าถ้าเราจับหลักจับหลักของพุทธะให้ได้เราจะจับได้เลยทีนี้ เ, เราก็หาวินญาชนยากเหมือนกันในะนะเราก็เอาเอ า, เอาเอาธรรมะเลยธรรมะเลยธรรมะว่าอย่างไตงตัวเนี้ยธรรมะว่าอย่างไรในกรณีธรรมะว่าอย่างมึงเป็นธรรมาที่ปไตยวินิจฉัยตัดสินกันโดยธรรมไม่ใช่โดยคนโดยกลุ่มคน ซึ่งแนวตรงนี้โลกสัมผัสได้ยากนะฮะโลกสัมผัสได้ยากที่น่าเป็นห่วงที่มันเรื่องความคิดเห็นเนี่ยมาสังเกตสังเกตมานานว่าเราเราคงสู้ยากนะะเรงคงสู้ยากวั น, ว, น, ว, นวันที่เจ็เนี่ยไปพิปราดิรัศภาเรื่องสิทธิสตรีก็จะว่า ก, นกันอะีกนะคือคือคือคือออกานสนับสนุนตลอดเลยนะสนับสนุนตลอด ให้แม่ชีเป็นนักพรตนักบวชว่าไฟให้กฎหมายรับเรืองเลเราดีใจมากแล้วเพื่อจะให้องค์กรรัฐเข้ามาโอกปุ่มดูแลกลุ่มบุคลากรกลุ่มนี้ให้การศึกษาให้สนับสนุนในด้านต่างๆนะฮะพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดให้ท่านมีความสุขแต่ไม่ใช่ให้พระไปบวชให้ไม่ให้พระรับรองว่าภิกษุณีแม่ชีคือภิกษุณีอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ได้มันเป็นกฎเกณฑ์น ะ, ะมันเป็นกฎเกณฑ์ มันเป็นวินยัยตรงนี้มันเป็นวินัยแล้วมันไม่ได้แล้ววินัยเนี่ยมันไ ม, ม่มีใครบัญญัติได้นอกจาก่พระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าบัญญัติไปแล้วแล้วเราต่อมาไม่ได้เราก็จบทั้งนั้นเองทีนี้สมมติเราจะทําไม่ได้จะเป็นภิกษุณีได้ก็ไม่แปลกอะไรนะฮะขา ว, ว่าภิกษุณีที่ไต้หวันนี่มีก็ไปบวชเป็นภิกษุณีไต้หวันมาแล้วไม่เคยว่าอะไรนะไม่เคยว่าอะไรแต่ให้พระบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยไม่ได้พระเราทําไม่ได้ เพราะไม่ใช่รังเกียจแต่มันมันวินัยไม่ไม่ให้นะคือการเป็นภิกษุณีนี่ต้องบวชมาในสำนักภิกษุณีสงกอ่อนเห็นไหมฮะพระจึงจะบวชให้ได้มันต้องผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาขั้นตอนตรง น, นั้นมันไม่มีไม่มี ท, ท, ท, ทีนี้สมมติว่าท่านจะบวชเป็นภิกษุณีในมหายานมาแล้วมาให้พระเทราวาธบวชเนี่ยพระก็ไม่กล้าบวชเพราะมันกฎรณเกายกันเห็นไหมไอ้เนี้ยคือประเด็น มันไม่ใช่เรื่องความเห็นแต่เป็นเรื่องหลักการเห็นนะเป็นธรรมมาธิปไตยเพราะหลักการมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วทําบอยสมมุติเราจะบวชแล้วเราอ้างตัวเนภิกษุณีมันก็เป็นการหลอกลวงชาวบ้านเพราะไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยพระวิ น, นัยบาปนะแทนที่จะเป็นบุญจะกลายเป็นบาปเพราะนั่นก็เป็นเป็นแม่ชีแล้วให้ยอมรับสิทธิของนักบวชเช่นเดียวกับบาดหลวงในศาสนาคริสต์นะเช่นเดินบาดหลวงทั้งหลายเนี่ย ก็ายางงั้นนะะแต่ท่านก็เป็นนักบวชมีสิทธิแบบนักบวชแต่ถูกริดรอนสิทธินะฮะนักบวชเนี่ยได้สิทธิของความเป็นนักบวชแต่สิทธิของการเป็นราษฎรสิทธิในการเลือกตั้งการสมัครรับเลือกตั้งการอะไรนี่ไม่ได้การทํานิติการต่างๆนี่ไม่ได้มันต้องถูกริดรอนด้วยเราต้องยอมรับว่าเออถ้าเราอยู่ตรงนี้เราต้องยอมรับนะเขาที่ริดรอนเรานะในขณะที่เขาให้เนี่ยเราก็ต้องเสียด้วยนันถ้าเราใช้ความเห็นแล้วเนี่ยนะ เราเห็นไม่ได้แต่ถ้าเราใช้หลักการหลักการนัคือธรรมะเนี่ยได้พบกันไหมว่านับพบกันตรงนี้ธรรมะว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติอย่างเี้คงปฏิบัติได้เหมือนเดิมปฏิบัติได้แบบเดิมแต่อย่าเอาความเห็นถ้าความความเห็นมันก็ต้องปรับเข้าหาหลักเ็าเรียกว่ามีหลักเกณฑ์นะฮะมีหลักมีเกณฑ์ในการตัดสินในการกระทาตรงนี้ มันมันจะมีจุดหนึ่งคือจุดที่เชื่อมต่อคนเชื่อมต่อคนเนี่ยนั่นก็คือแนวที่เคยเคยยกตัวอย่างนะฮะเคยเคยให้ข้อสังเกตว่าสังคมไทยเราหล่อเลือมาด้วยเมตตาปรุกไมตรีจะรู้ร้างสร้างบุญส่จะรู้รยวยเพราะนจุดจุดเชื่อมต่อก็คือจุดเฉลี่ยประโยชน์ที่สรงใช้คำว่าการสรงเคาะนกเคาะกันการแบ่งปันลาบผลผ ล, ผลประโยชน์ให้แก่กันและกัน ถ้าเราสังเกตว่าจุดนี้เป็นจุดประสานที่ที่สำคัญไม่ไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนะฮะว่าประเทศบางประเทศเนี่ยเช่นเประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยฮะมันมีมันมีประชาชนสามชาติกํากึงกันกํากึงกันแล้วศาสนาก็กรศาสนานะฮะได้ว่าพวกนี้มันอยู่ร่วมกันโดยผลประโยชน์ด้วยผลประโยชน์เฉลี่ยผลประโยชน์กัน ทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งมาเลยเนี่ยฮะคือเขาเฉลี่ยผลประโยชน์กันเขาก็เขาก็อยู่ร่วมกันได้ทั้งๆ ท, ที่ชาติต่างกันศา ส, สนาต่างกันนั้นก็คือจุดประสานว่าถ้าไม่ถูกขัดกรานทําลายผลประโยชน์แล้วก็อยู่ร่วมกันได้แต่ว่าที่จริงก็จ้องแย่งความเป็นเจ้ากันอยู่นะยังความเป็นเจ้าอยู่เพราะงั้นมันมันต้องมันต้องมาจากใจที่เมตตามันเกิดความเอื้อถอน เกิดความเอื้อทองความบวงใหญที่มุ่งบำบัดบำบัดความทุกข์ให้แก่เขาด้วยนะฮะไม่จะมุ่งได้แต่แรงงานความคิดความอ่านะอะไรของเขาเป็นเดียวแต่มุ่งมุ่งบำบัดให้แก่เขาเอ่อมุ่งบำบัดความทุกข์ให้แก่ให้ให้เขาด้วยแนวตรงนี้เป็นแนวที่สร้างบริษัทสามัคคีนะ หมายความว่าอยู่ร่วมกันโดยความสามัคคีมีความทร ง, งชัยก็มามีความสามัคคีเป็นที่ยินดีคือเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายแลยกับเมื่อวานไปบรรยายเรื่องให้ท่านภาวนาพุโทโธที่สามลานเรื่องพวกก็จะไปทุดงนะฮะพวกนั้นก็ใจสิงดีเหมือนกนันนะสมาทานทุดงรวดเดียวทั้งสิบาข้อที่จริงปฏิบัติไม่ได้ขี้เกียจจริงนะทุดงปฏิบัติรวดเดียวสิบาข้อนีไม่ได้ มันขัดแย้งกันอยู่นะฮะเช่นว่าอยู่โคนไม้เป็นวัดก็อยู่กลางแจ้งเป็นวัดเน่มันขัดแย้งกันอยู่ถ้าเธออยู่โคนไม้เธอก็ต้องไม่ได้อยู่กลางแจ้งเพราเธออยู่กลางแจ้งก็ต้องไม่ได้อยู่ที่โกนไม้ทำไมันขัดกันเองทุดงอย่างมากนี่รักษาได้สักเจ็ดถึงแปดสักแปดข้อเนี่ยทาได้นะฮะระยะหนึ่งเติมเนานไม่ได้หรอกนานน า, น, น, า น, นานปฏิบัติไม่ได้แต่ปกตปิประมาณสักสี่ 4, อาจสี่ข้อนี่ทําได้ <t ell> เลยบอกว่าธุดงจริงๆเนี่ยมันในรูปแบบบางก่างที่พวกคุณทําอะแต่จะเนื้อหาจริงๆของทุดงเนี่ยนะคือมักน้อยสันโดษชอบสงัดขัดเกล้าใจขัดเกลากิเลสแล้วก็มีความพอใจยินดีในรูปแบบวิธีการตรงนี้ว่าฉันจะขัดขัดเกลากิเลสฉันนะแต่ว่าจะขัดเกลาโดยวิธีนี้ ซ, ซึ่งซึ่งซึ่งโดยเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันก็เหมือนกันปฏิบัติเราอื่นนะทุดง เพียงแต่ว่ากิเลสค่อนข้างกระด้างนะฮะค่อนข้างแข็งแล้วก็หัดดัดสันดานตัวเองเช่นเราอธิษฐานไว้ว่าจะฉันอาหารนั่งตรงเนี้ยจะฉันแล้วลุกจากอัศระนี่จะไม่ฉันนะพอลุกไปถึงสมมติฉันอาหารเสร็จอาหารไม่ค่อยเดีย้ยฉันไม่เสร็จแล้วลุกขึ้ น, ล, นลุกขึ้นนั่งประผุดไ ป, ป, ป, ปเดียวหนึ่งโยหมกของอาหารอย่างดีเลยไปจะไหวนี่ยท้าทายไม่จะเล่นนะนะท้ายจะเล่นฉันก็ยังไม่อิ่มแต่ต้องไม่ฉันนะนะ ต้องไม่ฉันนะทุดดวงแตกถ้าฉันนะ้ทุดดวงแตกเลยอันนี้เห็นไหมฮะท้า่ายมากเลยขาต้องการต่อสู้ต้องการดัดสันดานพระเจ้าต้องการดัดสันดานเนี่ยเธอยังอยากอยู่ไหมเธอบอกว่าเธอจะฉันอาหารนั่งอาสนั่ตรงนี้ฉันแต่บางองค์ทุดดวก็ลูกเล่นเยอะนะฮะฉันเสรก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละไม่ยอมลุกไปไหนอันนี้ลูกเล่นมากไปหน่อยลูกเล่นมากไปหน่อยคือคือคือคือการปฏิบัตินั้นต้องไม่หลอกตัวเอง เห็นเนื้อหาจริงๆมันก็เหมือนกันในว่บที่อื่นแต่ว่ามันมันมีเครื่องมือในการพิสูจน์ทดสอบอะตรวจสอบว่าไหวไหมตรงนี้ยสู้ไหวไหมาหาข้ามใจตัวเองได้ไหมส่วนใหญ่แล้วมุ่งจากขาจัดราคากระโลพะเป็นหลักทุดงนะฮะแนวขจัดราคากระโลพาเป็นหลักแล้วก็สร้างนิสัยมักน้อยชอบสงัดไอ้ชอบสงัดนะคือคือคื อ, คอมันช่วยนะฮะมันช่วยให้เราพอจะยินดีในความสงัด บริษัทสามัคคีก็จะมีลักษณะอย่างนี้นเห็นไหมมันจะต้องเราต้องมักน้อยหน่อยต้องสันโดษเราต้องชอบสงัดเราต้องขัดเกลาตัวเองนะไม่ไม่ไมมจะมุง่งจะขัดเกลาคนอื่นเป็นเมืองขวานถากคนอื่นหรือเป็นหอกมุขขาดสติไปหอกไปทิ่มตามคนอื่นแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเห็นไหมแนวเดียวกั น, นแนวก็แนวก็คือต้โดงแนวธรรมะปฏิบัติทั้งหมดเป็นแนวเดียวกันทั้งหมด เรียกยังไงเมื่อวานเนี่ยเขายกตัวอย่างเขาดูเยอะเป็นการการนําสมมุติว่าได้เขาดูนะฮะบอกตรงนี้ว่าอย่างงี้ตัวนี้ว่าอย่างงี้ตัวนี้ว่าอย่างงี้ที่จริงเปนอย่างเดียวกันมันเหมือนกัพระราชตรัยนะฮะพระราชตรัยสรุปรวมที่รู้นะสรุปรวมที่พุทโธคําเดียวนะฮะคำว่าพระรตนตรัยตลาดที่ยิงก็รวบรวทในคำคำเดียวแต่ละเด็ตรงนี้ถ้าเรารู้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ถ้าเราใช้มันมาลุงรังเยอะนะฮะอย่างเง้เอาเอาแค่รู้คําเดียแค่แค่เป็นพุทธะอย่างเดียว รู้ตื่นเบิกบานบริษัทกลุ่มคนใดก็ตามที่อยู่กันด้วยความรู้ด้วยความตื่นด้วยความเบิกบานนะตื่นเรื่องหน้ากังกิเลสนะหมายความว่าไม่หลงไหลหลับไหลข้างใายไปเรื่องหน้ากังกิเลสที่จะก็จะเบิกบานต่อกันมองกันด้วยมุอติตาก็กลับที่เดิมนะมองกันก็ด้วยมุอติตาเพลิดเพลินยินดีต่อกันก็เป็นบริษัทสามัคคีที่ทรงเน้น ขอให้เธอทั้งหลายนะอยู่ร่วมกันด้วยความสมามัครคีมองกันด้วยปิยะจักสนะุปรับใจปรับปรับใจตัวเองให้เข้ากันได้เหมือนกันน้ำกันน้ำนมนะปรับใจนะปรับใจตัวเองให้เครียดประสานใจเอาใจประสานใจกันให้เข้ากันได้เหมือนา น, า น, น้ำกันน้านมนี่ก็โดยอาศัยคุณธรรมหลักก็คือจริงๆเมตตานะฮะเมตตากับปัญญากับศีลสามคำ มาปั น, นี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาเป็นเท่นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามพัฒูดในธรรมจงมีแต่ท่านสาธาชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านถือ